เรื่องเล่าผีหลอนตอนอพาร์ตเมนต์เขย่าวขวัญเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเมื่อสิบปีก่อนเมื่อเพื่อนของผมสอบเข้าเรียนที่มหาวิทยลาลัยแห่งหนึ่งที่จงังหวัดลำปางซึ่งเดิมทีนั้นเพื่อนเป็นคนเชียงรายแต่สอบที่เชียงรายไม่ติดจึงได้มาสอบที่ลำปางพอสอบได้ ก็เตรียมตัวหาห้องพักแต่ห้องพักใกล้ๆกับมาหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ก็จะเต็มถ้าไม่เต็มก็จะแพงเกินไปจ่ายไม่ไหวก็เลยขยับออกไปหาที่ที่ไกลออกไปหน่อยแต่ก็ยังหายากอยู่ดีจนไปเจออาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในซอยลึกเข้าไปประมาณ300เมตรบริเวณรอบๆจะเป็นที่รกร้าง มีแต่บ้านเรือนเก่าๆซะส่วนใหญ่และอีกอย่างซอยนี้ดูเหมือนไม่ค่อยมีคนอยู่แต่ด้วยราคาเช่าต่อเดือนที่ถูกกว่าที่อื่นจึงจําเป็นต้องเช่าเพื่อนเล่าว่าตอนเข้าไปติด ต, ต่อขอเช่าห้องเจ้าของห้องได้ถามว่าเอ็งอายุเท่าไหร่เกินยี่สิบหรือยงังอายุไม่เกินยี่สิบลุงไม่ให้เช่านะ เพื่อนผมตอนนั้นอายุ19้าย่าง20สิปีเพราะมันเพิ่งจบมหกแต่โดยความที่ห้องพักหายากมากขี้เกียจหาแล้วจึงหลอกลุงเจ้าของว่า21ปีแล้วครับลุงลุงแกก็เชื่อคนง่ายเหลือเกินไม่เซาซีเพราะถือว่าได้แจ้งไปแล้วจึงให้เพื่อนของผมเข้าอยู่เพื่อนผมได้ห้องที่ชั้นหนึ่ง ห้องเบอร์สามวางแค่ห้องนี้ห้องเดียวที่เหลือเต็มหมดเพื่อนผมก็เข้าอยู่ทันทีผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เหตุการณ์ก็ปกติดีแต่เริ่มมีห้องข้างๆย้ายออกและย้ายออกหมดทั้งชั้นภายในสองอาทิตย์เพื่อนผมมันก็เริ่มเอะใจเพราะตอนนี้ชั้นหนึ่งทั้งชั้นเหลือแค่ห้องมันคนเดียว และไม่มีคนย้ายเข้ามาเพิ่มเลยและคืนนั้นเพื่อนผมกลับมาจากงานเลี้ยงมาถึงห้องก็ดึกๆประมาณตีหนึ่งอาบน้ำเสร็จก็เข้านอนตามปกติในห้องจะมีพัดลมเพดานที่เป็นแบบใบพัดยาวๆสามอันไม่มีตะแกรงครอบคืนนี้อากาศไม่ค่อยร้อนก็เลยเปิดแค่เบอร์หนึ่งลมพัดเบาๆ พอเคลิมเคลิมก็เห็นใบพัดพัดลมมันหมุนช้าลงช้าลงพอช้าลงเรื่อยๆก็เห็นเหมือนมีผ้าสามสีแบบเดียวกับที่ผูกต้นไม้ข้างทางตามความเชื่อต่างๆผูกติดอยู่กับใบพัดลมแกว่งไปตามใบพัดนานเขานานเข้ า, น า, นขาจากผ้าสามสีก็มีเส้นผมผู้หญิงยาวๆแว่งมาด้วย ยิงแกว่งเรื่อยเส้นผมก็เยอะขึ้นเรื่อยจนมืดดำเต็มพัดลมไปหมดเพื่อนผมเลยสะดุ้งตื่นมองดูใบพัดหยุดนิ่งแต่ไม่มีผ้าหรือเส้นผมใดๆเลยมันก็เลยไปดูที่สวิตยังกดค้างอยู่เลขหนึ่งก็เลยกดปิดเปิดใหม่พัดลมก็หมุนตามปกติมันก็นอนต่อผ่านไปสักพักพอเคลิมๆ เ, เหมือนเดิม แต่ขยับตัวไม่ได้หรี่ตาได้อย่างเดียวมันบอกเห็นเป็นตัวคนดำมืดดำแบบไม่เห็นใบหน้าหรือลู ก, กตาเลยเห็นแต่เป็นคนมานั่งยองๆบนใบพัดของพัดลมแล้วแกว่งไปตามใบพัด ช, ช้าๆแล้วหันหน้ามาทางมันตลอดเพื่อนผมตัวสั่นกลัวขยับก็ไม่ได้เหงื่อไหลน้ําตาไหลไม่หยุด เพราะกลัวสุดขีดได้แต่ท่องบทสวดนโมอยู่ในใจท่องวนเรื่อยๆพัดลมก็หยุดหมุนพร้อมกับเงาดำๆเปลี่ยนท่านั่งเป็นนั่งคัสมาะแล้วหัวเราะพร้อมพูดว่าท่องได้แค่นี้หรือแล้วก็หัวเราะต่อไม่หยุดเพื่อนผมพยายามดิน้นแต่ก็ไม่สามารถขยับตัวได้เสียงหัวเราะ เสียงคงดังอยู่เรื่อยๆแล้วเพื่อนผมก็นึกขึ้นได้ว่าปู่เคยบอกว่าเวลาฝันเห็นผีหรือโดนผีอำ่ำให้ตั้งจิตนึกถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วมันจะหลุดมันก็พยายามทาตามสุดท้ายก็หลุดจริงๆเพื่อนผมลุกขึ้นนั่งกลางที่นอนเงื่อไหลโชคเต็มตัวไปหมดดูเวลาตอนนั้นก็ตีสองกว่า ให้อยู่จนถึงเชา้าคงไม่ไหวแล้วด้วยความกลัวยังไม่หายมันเลยกดโทรตามพ่อให้มารับคุยไปร้องไห้ไปพอมันบอกตั้งสติไว้จะรีบไปรับแต่โดยความที่พ่ออยู่เชียงรายการจะมาที่ลาปางไม่ใช่แป๊บๆจะมาถึงก็ใช้เวลานานหลายชั่วโมงมันก็จาเป็นต้องรอจนกว่าพ่อจะมาถึง มันก็เปิดไฟทุกดวงในห้องแล้วนั่งรอบนที่นอนพยายามจะไม่หลับแต่เนื่องจากใช้งานร่างกายมาทั้งวันยันดึกจนตอนนี้ก็ยังไม่ได้พักผ่อนเต็มที่มันเลยเพลียคมตาไม่ให้หลับได้ไม่นานสุดท้ายก็เผลอหลับไปอีกรอบคราวนี้เพื่อนมันฝันในฝันได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งพูดว่า อยู่กับกูไปนานๆอย่าเพิ่งไปไหนอยู่กับกูก่อนแล้วก็ได้ยินเสียงคนลากของบางอย่างกระทบกับพัดลมดังก๊อกก๊อกแ ก, ก, ก๊สักพักก็ตามด้วยเสียงเหมือนคนขาดอากาศหายใจตอนผูกคอตายแล้วก็จบด้วยเสียงแอดอาร์ตของพัดลมที่ค่อยๆหมุนช้าๆเพื่อนผมมันก็กลัว พยายามทำให้ตัวเองตื่นพยายามลืมตาลืมตาขึ้นมาได้นิดเดียวพอเห็นได้ลางๆก็เห็นเป็นผู้หญิงผู้คอตัวเองกับพัดลมเพดานลิ้นจุกปากหมุนไปตามพัดลมอย่างช้าๆมันถึงกับสติหลุดตะโกนแหกปากออกมาดังลัน่นพร้อมกับวิ่งออกนอกห้องไปนั่งอยู่หน้าอาพาร์ตเมนต์ จนเวลาประมาณเจ็ดโมงเชา้าพ่อมันก็มารับมันก็เข้าไปขนของขึ้นรถพ่อมันกลับไปเลยพอถึงบ้านมันก็โทรหาเจ้าของห้องพักแล้วเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังลุงเจ้าของถามกลับมาว่าเองอายุเท่าไหร่แน่บอกมาตามตรงมันบอก19ปีลุงเลยบอกว่านั่นไงก่อนเข้า ลุงถามอายุเองแล้วนะเองโกโหกลุงห้องที่เองอยู่เคยมีคนผูกคอตายอายุแค่19้าปีเองลุงก็ทำบุญครั้งใหญ่ไปให้แล้วแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมมันยังไม่ไปสักทีแต่สำหรับความเชื่อที่นี่ถ้าคนอยู่อายุเกิน2ี่สิบไปแล้วจะไม่เจอเรื่องพวกนี้เลยสักคนมีเองกับห้องข้างๆเองนั่นแหละ ที่ย้ายออกไปโกหกเรื่องอายุเหมือนเองเลยเพื่อนของผมก็ต้องยอมจำนนไปหาห้องพักใหม่คราวนี้มันบอกเหตุจะไม่โกหกใครอีเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังชอบเรื่องผี